ภรรยาสินไทยคือหญิงที่ชายเอาเงินไถยตัวมาเป็นภรรยาพันรคาริกผู้รักษาเรือนคลังผู้รักษาคลังสิ่งของพับพาบุคคลบุคคลผู้ควรแก่การบรรลุธรรมพิเศษภิกษุได้รับสมมุติคือภิกษุ ผู้ได้รับความยินยอมจากสงฆ์ูตะคามพืชพันธ์อันเขียวสดซึ่งเกิดอยู่กับที่ภูตะคามวัตหมวดแห่งศิขาบทอันว่าด้วยเรื่องภิกษุพระของเขียวสดซึ่งเกิดอยู่กับที่ให้หลุดจากที่เป็นตน้น เพทนากะปาจิตตีอาบัตปาจิตตีที่ภิกษุต้องแล้วต้องต่อยคือทําลายวัตถุอันเป็นเหตุให้ต้องอาบัตนั้นให้แตกเสียก่อนจึงแสดงอาบัตตกคือพ้นจากอาบัตเพสัตคือยาตามพระวินยัยคือของควรลิ้มของภิกษุผู้อาพาธ โฉชนะปฏิสังยุตธรรมเนียมเกี่ยวกับการชั้นบินทบาทหรือการชั้นอาหารโภชนะวักหมวดแห่งศิขาบทอันว่าด้วยเรื่องชั้นอาหาร